จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้าสิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญสร้างบุญบารมี สะสมบุญบรารมีเพราะบุญบรารมีเป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเราสมบัติอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเพราะเราไม่สามารถ เอาติดตัวไปได้เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปหรือบางทีเรายังไม่ทันตายสมบัติเหล่านี้ก็จากเราไปเสียก่อนแต่บุญบา ร, รมีนี้เป็นสมบัติที่ติดอยู่กับใจของเราไม่มีใครสามารถจะมาพรากจากเราไปได้จะติดไปกับเรา เป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราการที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพ่อบุณ ร, รมีที่เราเคยสะสมเคยสร้างไว้ในอดีตนั่นเองได้เกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามไม่ขี้เละมีอายุยืนยาวนานอายุไม่สั้น มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ไม่พิกลพิการมีสติปัญญาความฉวาดไม่ไม่มไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นคนโง่เขลามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้เป็นคนยากคนจน นี่เป็นผลของบุญบารมีที่เราได้สะสมได้สร้างไว้ในอดีตชาติส่งผลให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แทนที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นล้วนเป็นผลของบุญบารมีทั้งนั้นและต่อไปในภายภาคหน้าคือพบหน้าชาติหน้า ถ้าเรายังบังเพญบุญบา ร, รมีอย่างต่อเนื่องสะสมให้มีมากกว่าเดิมพบหน้าชาติหน้าของเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆจนถึงพบสุดท้ายคือไดกลายเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าไปนี่เป็นผลงานของบุญบา ร, รมีทั้งสิ้น ที่ไม่มีใครสามารถสร้างหรือสะสมแทนเราได้เราต้องเป็นผู้สร้างเป็นผู้สะสมเองพ่อแม่ไม่สามารถสร้างบุญบรารมีให้กับเราญาติสนิทมิสหายก็เช่นเดียวกันเรื่องของบุญบรารมีเป็นเรื่องของอัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้สร้างบุญบรารมีเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายหมั่นสะสมบุญบารมีไว้เสมอเสมอเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญจะได้เป็นผลที่ตามมาทั้งในปัจจุบันชาติและชาติที่จะตามมาต่อไปในปัจจุบันก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญ และเมื่อตายไปก็ได้พบชาติที่ดีกว่าเดิมได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าไปในที่สุดล้วนเป็นผลของบุญบรารมีทั้งนั้นดังนั้นเราจึงควรที่จะหมั่นบำเพ็ญกันอย่างสม่ำเสมอบรารมีที่เราต้องสร้างหรือ บำเพ็ญในเบื้องต้นก็คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจไม่ได้เป็นการขออธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจก่อนที่เราจะสร้างบารมีอย่างอื่นได้เราต้องมีอธิษฐานบารมีก่อนเช่นเราอยากจะสร้างทานบารมีเราก็ต้องมีอธิษฐานบารมี คือความตั้งใจในการที่จะบำเพ็ญทานบารมีเช่นวันนี้ญาติโยมก่อนที่จะมาที่วัดได้ก็ต้องมีความตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้จะมาวัดมาทําบุญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เรียกว่าอธิษฐานบารมีถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมา พอถึงเวลาก็อาจจะไม่ได้มาเช่นขณะนี้ยังอาจจะนอนหลับอยู่เพราะไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะมาวัดเมื่อคืนนี้เลยอยู่ดึกทาอะไรต่างๆจนถึงเวลาดึกพอนอนก็ตื่นไม่ตื่นเช้าไม่ได้ต้องตื่นสายเพราะว่าไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้นั่นเอง ว่าจะมาวัดดังนั้นไม่ว่าเราจะบำเพ็ญบา ร, รมีอะไรก็ตามเราต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีก่อนจะบาเพ็ญทานบา ร, รมีก็ดีศีลบา ร, รมีก็ดีนิคัมมะบา ร, รมีก็ดีปัญญาบา ร, รมีก็ดีล้วนต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีก่อนคือความตั้งใจพอตั้งใจแล้ว เราก็จะได้มีจุดหมายปลายทางไปนั่นเองเหมือนกับเวลาเราออกจากบ้านถ้าเราไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะไปไหนเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปไหนออกจากบ้านไปแบบสุ่มสี่ซุ่มห้าไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองฉันใด ชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ไปสู่ความสุขและความเจริญไม่ได้ปล่อยให้ไปตามยถากรรมเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือหรือรถยนต์ที่ไม่มีพวงมาลยัยอย่างนั้นไม่สามารถควบคุมบังคับให้รถยนต์หรือเรือไปตามทิศทางที่เราต้องการจะไปได้ ชีวิตของเราก็ต้องมีพวงมา ล, ลัยมีหางเสือก็คือมีอธิษฐานบารมีนี้เองเราต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอจะรับสาศีลอย่างสม่าเสมอจะปฏิบัติเนกขมมะก็คือถือศีลบวชไม่ว่าจะเป็นศีลแปศีลศีลสิบ ส, ส, สำหรับสามเณร ศีลสองรสำหรับพระภิกษุนี่เรียกว่าเนกขมมะบารมีเป็นศีลบวชเราจะตั้งใจสร้างปัญญาบารมีด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างนี้คือเรียกว่าอธิษฐานบารมีเมื่อเรามีอธิษฐานบารมีแล้ว เราก็ต้องสร้างสัจจะบรารมีเป็นอันดับที่สองเพราะถ้าไม่มีสัจจะบรารมีคือความจริงใจเวลาตั้งใจจะทำอะไรพอถึงเวลาจะทำเข้าจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนใจได้เช่นวันนี้นตั้งใจจะมาวัดพอตืมขึ้นมาก็นึกได้ว่าจะมีอะไรบางอย่าง ที่ต้องทำก็เลยไม่มาวัดไปทำในสิ่งที่ต้องการจะทำแต่ถ้ามีสัจจะบา ร, รมีคือความจริงใจเวลาตั้งอธิษฐานอะไรไว้แล้วก็จะไม่ปล่อยให้ล้มเหลวลงไปตั้งอะไรไว้แล้วตั้งใจจะทาอะไรก็จะต้องทำให้ได้เช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัด ถึงแม้ฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมก็ตามถ้ายังสามารถมาได้ก็จะมานี่เรียกว่าการมีสัจจะคือความจริงใจถ้าไม่มีสัจจะแล้วตั้งอธิษฐานไปก็ไม่ได้ผลตั้งไปได้วันสองวันก็ล่งเหลวเช่นในพรรษานี้ตั้งใจจะเลิกดื่มสุราตลอดเวลาสามเดือนพอ เวลาผ่านไปสัก3ามสี่วันก็ทนไม่ไหวอยากจะดื่มสุราก็กลับไปดื่มใหม่อย่างนี้แสดงว่ามีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะเมื่อไม่มีสัจจะ ก, ก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่เราจะตั้งใจจะทำได้ดังนั้นนอกจากมีอธิษฐานบารมีแล้วเราก็ต้องสร้างสัจจะบารมี ให้เป็นคนที่มีความจริงใจต่อตอนเองอย่าหลอกตอนเองบอกตอนเองว่าจะทำอะไรรับปากกับตนเองว่าจะทำอะไรก็จะท่องทำในสิ่งที่ตนเองรับปากไว้เช่นเดียวกับการรับปากหรือทำสัญญากับผู้อื่นเมื่อมีให้คามั่นสัญญากับผู้อื่นแล้วก็ต้องรักษาคามั่นสัญญานั้นจึงถือว่ามีสัจจะ ถ้าไม่มีสัจจะ ก, ก็จะไม่สามารถทำอะไรที่ดีที่งามได้พอถึงเวลาจะทำก็มักจะเปลี่ยนใจถูกกำนา่ไฝต่างชักจูงให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นตั้งใจจะเลิกดื่มสุราพอถึงเวลาจริงๆก็ถูกอำนาจของความอยากดื่มสุราฉุดลากกลับไปให้ดื่มสุราอีกแต่ถ้าเรามีสัจจะบา ร, รมีแล้ว เป็นตายอย่างไรเราก็จะต้องรักษาเหมือนไวเช่นพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่ทรงนั่งอยู่ใต้ต้นโพก่อนที่จะตัดสรู้เป็นพระอรหันต์ตะสมมาสมพุทธเจ้าก็ได้ทรงตั้งสัจจะอธิฐานไว้ว่าจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี้ไปจนกว่าจะตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้า ถ้าเลือดในแหเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลูกจากที่นา่งนี้ไปขอยอมตายถ้าไม่ได้ตัดสรู้ก็ขอตายเท่านั้นนี่คือเรื่องของสัจจะตั้งตั้งใจอะไรแล้วต้องมีความจริงใจเมื่อมีความจริงใจแล้วเราก็ต้องบำเพ็ญบารมีขั้นที่สาข้อที่สาเรียกว่าว ah ิริยบารมี คือความภาคเพียรความขยันเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องขยันทำอย่างสม่ำเสมอตั้งใจมาวัดตลอดพรรษามาทำบุญตัก บ, บาตก็ต้องมาให้ได้หรือตั้งใจจะใส่บาตรที่บ้านทุกวันก็ต้องใส่ให้ได้ต้องมีความขยันตั้งใจจะรักษาสิลงก็ต้องรักษาให้ได้ต้องขยันรักษาไว้ ตั้งใจฟังเทศฟังธรรมตลอดพรรษาจะไม่ดูโทรทัศน์จะไม่ฟังเพลงก็ต้องฟังแต่ธรรมะอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่ามีความขยันหมั่นเพียรมีวิริยะบารามีเพราะความสําเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจไม่ได้เกิดจากสัตจะแต่เกิดจากวิริยะบารามีความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จ ย่อมอยู่ที่นั่นดังนั้นไม่ว่าเราตั้งใจจะทำอะไรจะไปที่ไหนถ้าเราไม่มีความขยันเราก็จะไปไม่ถึงเช่นตั้งใจจะมาวัดพอถึงเวลาก็บอกว่าขี้เกียจไม่อยากจะมาแล้วเปลี่ยนใจเพราะขาดวิริยาบารมีถูกความขี้เกียจมาแสงหน้าไป ดังนั้นเราต้องบำเพ็ญวิริยะบารมีพยายามฝึกความขยันหมั่นเพยียงไว้ให้ติดเป็นนิสัยอย่าอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์อย่าปล่อยให้เวลาเสียไปกับเรื่องไร้สาระเช่นเรื่องเล่นเรื่องเที่ยว <c oughs> เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาลามีไม่ได้ส่งเสริมให้ชีวิตจิตใจของเราเจริญก้าวหน้า มีแต่จะฉุดละให้เราลงสู่ที่ต่ำเราต้องมีความประหยันทำความดีอยู่เสมออยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านมีอะไรพอที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยกันกวาดถูเช็ดทำความสะอาดหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดเป็นเป็นประโยชน์สุขขึ้นมาขอให้เราทำกันเพื่อจะได้เป็นเป็นนิสัยติดตัวไป เวลาที่จะตั้งใจทำในสิ่งที่ดีที่เลิศจะได้มีความขยันพาไปได้ถ้าที่เกียจแล้วจะทำบุญไม่ได้จะรักษาศีลไม่ได้จะฟังเทศฟังธรรมไม่ได้พบหน้าชาติหน้าชีวิตก็จะไม่เจริญขึ้นไม่ดีขึ้นนี่คือบรารมีที่เราต้องบำเพ็งต่อจาก อธิษฐานและสัจจะบา ร, รมีคือวิริยะบา ร, รมีเมื่อเราบำเพ็ญไปแล้วด้วยวิริยะบา ร, รมีเราก็ต้องมีขันติบา ร, รมีเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะการทำความดีเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกับเข็นครบขึ้นภูเขาถ้าไม่มีความอดทนก็จะทำไม่สาเร็จเวลาทำอะไรไปเกิดอารมณ์ขึ้นมา อยากจะพูดปดก็ต้องมีความอดทนไม่พูดปดหรือเวลาจะทําความดีเช่นทำบุญตักบาตก็ต้องตื่นแต่เช้าถ้าไม่มีความอดทนก็จะตื่นไม่ได้หรือเวลานั่งสมาธิไปนานเกิดมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าไม่มีความอดทนก็จะไม่สามารถนั่งไปได้ ดลังง้นจึงต้องมีคันติบา ร, รมีต้องฝึกขัดความอดทนเอาไว้อย่าเอาแต่ความสุขเอาแต่ความสบายขอให้คิดเสียว่าความทุกข์ยากลำบากนี้จะเป็นสิ่งที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขในบ้านปลายดีกว่าความสุขความสบายที่จะพาเราไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลาย ถ้าเราไม่มีแต่ขันติบารมีพอถึงเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากในบ้านปลายเช่นตอนที่เราแก่เราเจ็บเราตายเราจะทุกข์ทรมานใจมากแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนสร้สางสะสมขันติบารมีในขณะที่เรายังหนุ่มยังแน่นอยู่ยอมต่อสู้กับความทุกข์ความยากความลาบาก ที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็ดีเกิดจากการปฏิบัติทําความดีต่างๆก็ดีเราจะมีขันติความอดทนไวต่อสู้กับยามเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราแก่เท่าหรือเวลาที่เราตายจิตใจของเราจะไม่ทรมานจะไม่ทุรนทุรายจิตใจของเราจะสงบนิ่งได้ ด้วยอํานาจของขันติบารมีนี่เองนี่คือบารมีส4ประการด้วยกันที่เป็นบารมีสําคัญอย่างยิ่งในการบําเพ็ญบารมีอย่างอื่นที่มีอยู่6ชนิดด้วยกันคือ 1, <ม> 1. ทานบารมีคือการให้มีอะไรที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ที่มีเกินความ ต้องการของเราก็ควรที่จะเอาไปจำหนาจ่ายแจกไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือเป็นอะไรก็ตามเก็บไว้มันไม่เกิดประโยชน์ทั้งกับเราและกับผู้อื่นถ้าเราเอาไปให้ผู้อื่นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราผู้อื่นก็จะได้รับประโยชน์จากของที่เราให้ไปเราก็จะได้ทานบารมี ทำให้เราเป็นเศรษฐีในภายภาคหน้าในภพหน้าชาติหน้าไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้ลำบากยากเย็นเพราะจะไปเกิดบนกองเงินกองทองไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเป็นลูกของพระมาหากษัตริย์เป็นต้นนี่เกิดจากการบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีก็คือการสร้างภพชาติที่ดีให้กับเรานั่นเอ ง, เอง ก็ผู้ที่จะเกิดเป็นเทพ<ม>เป็นพรห ม, มเป็นพระอริยเจ้า<ม>เป็นมนุษย์ได้จะต้องมีศีลบารมีเป็นเครื่องพาไปถ้าไม่บำเพ็ญศีลบารมีก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง น, นี่คือศีลบารมีในคำว่าบารมีก็คือการออกบวชการถือศีลบวช เพื่อที่จะพัฒ น, นาจิตใจให้สูงขึ้นถ้าไม่มีเนคข ม, มะบารมีก็จะไม่สามารถก้าวเข้าสู่พรหมโลกได้ไม่สามารถก้าวสู่มักก้าวเข้าสู่มรรผลนิพพานได้ต้องเอาสายัยเนคขมะบารมีต้องถือศีลบวชไม่ว่าจะเป็นศีลแปก็ดีศีลสิบก็ดีศีล227ิ22ข้อก็ดี จำเป็นไหมว่าจะต้องโกนหัวผมเหลืองผมขาวความจริงก็ไม่จำเป็นถ้าเราสามารถรักษาสีแ8ศีิบสีสองริบได้ก็เหมือนกับเป็นนัก บ, บวชอยู่แล้วดังนั้นอยู่ที่ตัวตัวศีนี้ต่างหาไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองไม่ได้อยู่ที่ผ้าขาวไม่ได้อยู่ที่การโกงสีสัะหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงหรือที่ผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่แต่อยู่ที่การรักษาศิลเหล่านี้ได้หรือไม่ต่างหากถ้ารักษาได้ก็ถือว่ามีเนกมะได้บำเพ็ญเนกกรรมะบารมีมีสิทธิ์ที่จะก้าวสู่พรหมโลกมีสิทธิ์ที่จะก้าวสู่มัมลนิพานต่อไปและบรารมีอันดับต่อไปก็คือปัญญาบรารมี ปัญญาบารมีนี้จะพาให้ก้าวเข้าสู่มัผลนิพานได้ถ้ามีแต่เนขฆมบารมีก็จะไปได้แค่ขั้นคงมโลกได้แค่ฌานได้แค่สมาธิถ้าต้องการที่จะก้าวสู่มัผลนิพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ต้องบำเพ็ญปัญญาบารมี ต้องฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้แจ้ง <c oughs> เห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เห็นด้วยตาก็ดีที่ได้ยินด้วยหูก็ดีที่สัมผัส ด, ด้วยกายก็ดีล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้น เห็นอะไรแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เห็นก็หายไปได้ยินอะไรแล้วสิ่งที่ได้ยินก็หายไปร่างกายก็เช่นเดียวกันมีการเกิดแล้วก็มีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปไม่มีอะไรอยู่กับใจไปตลอดมีการเกิดดับมีการมามีการไปถ้าหลงยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากได้ขึ้นมาก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้ามีปัญญารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถยึดติดได้จะต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาเกิดก็เกิดเขาดับก็ดดับปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริง ใจก็จะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความอยากเพราะปล่อยให้ไปให้เป็นไปตามสภาพของเขาเมื่อปล่อยได้ก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีเหตุที่จะพาให้ไปเกิดอีกต่อไปก็จะเป็นนิพพานไปจิตก็จะกลายเป็นพระนิพพานไปไม่ต้องไปเวีนว่ายตายเกิด ไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายไม่ต้องไปพลาดพราดจากกันนี่คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอเช่นวันนี้เราฟังแล้วเราก็เกิดปัญญารู้อะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนเช่นอธิษฐานบารมีส่วนใหญ่เราจะคิดว่าอธิษฐานก็คือการขอ ทำบุญแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าทำแล้วไม่ขอก็ได้อยู่ดีเพราะวาการกระทำนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เกิดจากการกระทาถ้าให้ทานก็จะได้ทานบารมีถ้ารักษาศีลก็ได้ศีลบารมีไม่ต้องขอก็ได้คำว่าอธิษฐานนี้ไม่ได้หมายความว่าขอแต่เป็นการตั้งใจ ถ้าไม่ตั้งใจก็จะไม่ได้ทำเมื่อไม่ได้ทำก็จะไม่ได้ดังนั้นถ้าจะขออย่างเดียวแล้วไม่ทำในสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำขอไปจนวันตายก็ไม่ได้เช่นขอไปพระนิพพานแต่ถ้าไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่บำเพ็ญเนกขมะบรามีไม่เจริญปัญญาารามีต่อให้ขอไปจนวันตายอีกร้อย ลอยล้านชาติก็จะไปไม่ถึงพระนิพพานเพราะพระนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นจากการขอแต่เกิดขึ้นจากการบาเพ็ญบุญบา ร, รมีทั้งสิประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาเป็นตัวอย่างจนได้บรรลุปเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ําเพ็ญบุญบา ร, รมีมาเช่นเดียวกัน พวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราบำเพ็ญบุญบา ร, รมีท่านสิบประการนี้ได้อย่างต่อเนื่อง <c oughs> จนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเราก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าในลำดับต่อไปอย่างแน่นอนจึงขอให้เราใช้เวลาของชีวิตของเรานี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยการบำเพ็ญบารมีอย่างต่อเนื่องคืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีทานบารมีศรษฐบารมีเนคัมมะบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี นี่คือบรารมีทั้งสิบที่เราควรจะบำเพ็ญกันอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะได้กําไรจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไปบำเพ็ญเรื่องลานรสันเสริมสุขเราก็จะขาดทุนเพราะเราจะไม่ได้บำเพ็ญบุญบรารมีนั่นเอง ตายไปเราเอาราบนศสนรเสริมสุขติดตัวกับเราไปไม่ได้และเราจะไม่ได้ไปเกิดดีกว่าเดิมไม่ได้พัฒนาพพชาติของเราให้สูงขึ้นไปจึงขอให้เราจงให้ความสำคัญต่อการบาเพ็ญบุญบา ร, รมีขอให้ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของชีวิตเราเลยถ้ามีใครถามว่าเกิดมาทำเพื่ออะไร ก็ตอบเขาได้เลยว่าเกิดมาเพื่อบังเพญบุญบารมีเท่านั้นนี่แหละคือหน้าที่ของมนุษย์นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บังเพญมาและได้และได้สมบัติอันเลิศอันประเสริฐมาครอบครองไว้แล้วจึงนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราขอให้พวกเราจงเป็น คนที่มีความตั้งใจคือมีมีความศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วนำมาปฏิบัติแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่เจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวจึงขอฝากเรื่องการบำเพ็ญบรารมีทั้งสิ่งนี้ให้ท่านได้นำเอาไป พ, พิจารณาและปฏิบัติ